ภิกษุรูปหนึ่งเข้าใจผิดขณะนั้นภิกษุรูปหนึ่งยืนร้องให้อยู่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคปรัส ถ, ถามภิกษุนั้นดังนี้ว่าภิกษุ เธอร้องไห้ทำไมภิกษุนั้นกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะผู้เป็นพระอัครสาวกของพระองค์ไปสำนักพระเทวทัตชอบใจคำสอนของพระเทวทัตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่สารีบุตร และโมคลานะจะชอบใจคำสอนของเทวทัตสารีบุตรและโมคลานะนั้นไปเพื่อแนะนำภิกษุทั้งหลายให้เข้าใจ